มาจากที่ไหนกรุงเทพเลอมาพักหรือเปล่าอ๋าอคราวนี้มาเช้าเย็นกลับนียแหละดังใจจะมามาเอาอะไรไปบ้างนะ ถ้าจะกราบก็จริงกราบที่ไหนก็ได้เปิตอนนี้เปิดกราบได้เนี่ยเปิดในมือถื อ, อททเปานุทกยัง่ง ม, มีบุญมรณาบ้ากเลยค่ะเป็นการทำบุงเป็นยังไงมีมรกมากเลยค่ ะ, ะก่อนหน้า น, นี้เคยศึกษาธรรมโรกุตระมาแล้วค่ะ กเออบอกนี้แหละของแท้ขอขอมากับขอมาับตั้งใจงมาอะไรค่ ะ, ะแต่ฟังประมาณเดือนแล้วค่ะเมื่อก่อนไปฟังที่ไหนอ่ะเออมื่อก่อนนี้เข้าออของไปทางสายอินเดียค่ะอินเดียต้องไปจางอินเดีย ที่ท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่ทั้งหมดเลยค่ะอ่าแล้วตัวท่านพรนักอยู่ที่ไหน อ, อยู่วัดไทยพุทธย า, า ท, ท่านดูสสี่สงเวเลยค่ะอ๋อมีวัดไทยทั้งสี่สถานที่เลย แต่ว่ามันจะกลายเป็นโรงแรม ไ, ไหมเนี่ย่ขาวว่าใครไปก็ไปพักเทวทัวกั น, นะนี้โรงแรมเยอะมากแล้วค่ะอ๋อไม่ได้ไปพักเทวทัวกันะก็าจะไปพักก็ครจไปพักที่กุินราค่ะอ๋ะอ ท, ที่วมัง่วดเขามีหอพักให้อยู่อ่ะอื ม, มเหมือนโรงแรมดีกว่าโรงแรมในตำั์อ่ะสะอาดกว่า ออแขกไม่ค่อยทานนะเดี๋ยวนี้ต้องพัฒนาเยอะนะคะอ่าทีนี้มีห้องน้ําเยอะแล้วห้องน้ําเยอะนิยมไปตั้งแต่สมัยอุ้มธรรมบาร์เดี๋ยวนี้คนนิยมไปกันเยอะค่ะที่ไปไปทําอะไรบ้างมไปแล้วก็มีความสุขค่ะไปเห็นสถานที่อที่ประสูตที่ตัทเชลูเพื่อจะได้เห็นก็มีความสุขแล้ว ไปวัดเจดับพระเชตพระเชตพระเชตตะวันเนอะรู้จักพระสายอินเดียทั้งหมดเลยค่ะอตอนหน้านี้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแต่ละไปช่วงหนึ่งเพื่อนแนะนำจะบอกว่าเป็นบุญแล้วล่ะเพราะว่าอมีกำหนดว่าอิกไม่กี่ปีจะมาฟังธรรม เราก็หามาตลอดเลยละะยเวลาสิบกว่าปีที่หาตลอดออ น, นี่แหละอันนี้แหละใช่แล้วหล่ะของพระแล้วใช่ตรงมาได้ น, นี้ยต้องมาให้ได้เลยเอืมค่ะแล้วก็มีคอนโดยอยู่ที่พัทยาเผื ว, ว่าจะมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่อ<ะ>ความจริงที่ไหนเหมือนน่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็คนเดียวกันพอทำคําสอนก็อันเดียวกันะ ทำไมมันไม่เหมือนกันเลยหรอคะไม่หรอกค่ะแต่คิดว่าที่นี่แหละค่ะของแท้ที่นี่ก็เรียนจากพระพุทธเรียนจากหนังสือธรรมะเหมือนกันนะีพระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันพระเจ้าก็สอนธรรมจากกัปปวัตตนสูตรใช่คอานันตละคันละสูตรอ่าสติปัฏฐานสูตรมันก็อันเดียวกันทำไมไมันกลับมาไม่เหมือนกันน ะ, ะแปะกนะ อักผักของไทยยากเจอยากบอกพี่เขาบอกว่าเนี่ยขอบคุณพี่เขาบอกว่ามีภูมิวัฒนาที่มาได้ฟังธรรมอะไรถึงถึงที่เราเป็นทองแท้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติธรรม ของพ่ออะไรพ่อสมเะค่อฮะก้มบุรพ่อสมมรีอาท่านท่านก็สอนอะไรศีล ส, ส, สมาธิปัญญาอืมอืมแล้ว เ, เรารู้ได้ไงว่าเป็นของแท้ <laughs> พระพุทธเจ้บาบอกว่าอย่าเชื่อเพรเราคิดว่ามันเป็นอย่างานั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องพิสูจน์ด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเห็นนี่มันเป็นอย่างที่เราเชื่อเราเห็นหรือเปล่าพรความเชื่อของเราก็ยังอาจจะไม่ถูกก็ได้สิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้มันก็ต้องระมัดระวัง นะเดี๋ยวจะมาเสียใจทีหลังจะมาว่าเราเหลอกลวงไม่ได้เพื่องขาวบอกว่าผมไม่เสียใจแน่ๆที่นี <Beyonce> ่ขอไม่ผิดหวังต้องปฏิบัตินะธรรมนี่เป็นสันติโกเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นฟังเทศสิบครั้งก็ไม่เท่ากับมีดวงตาเห็นทำด้วยตนเองฟังสิบครั้งมันก็ยังไม่เหมือนกับทำที่เราเห็นจากการปฏิบัติเพราะการฟังมันไม่เข้าถึงเข้าถึงใจมันเข้าถึงขันเข้าถึงสัญญาความจําแต่มันยังไม่เข้าถึงจิต ขันมันเป็นเหมือนกับเปลือกของจิตอีกทีมันยังไม่เข้าถึงจิตกิเลสมันอยู่ในจิตต้องเข้าไปถึงจิตแล้วถึงจะเห็นกิเลสเห็นธรรมมันต้องหนึ่งจิตเข้าไปข้างในต้องใช้พุทธโธปอกเปลือกเปลือกคือสังขารความคิดปรุงแต่งนะ มันมันปิดกั้นจิตไว้นามถึงต้องนั่งสมาธิเพื่อหยุดสังขารความคิดตรุงแต่งเหมือนกับการปอกเปลือกเปลือกส้มเนี่ยปอกเปลือกถึงจะไปเจอเนื้อสังขารมันหุ้มห่อจิตไว้เหมือนเป็นเหมือนเปลือก ส, สังขารสัญญาเวทนาวิญญาณเนี่ยสี่ตัวนี้มัน มันหุ้มห่อจิตไว้ทีหนี่เราเห็นแต่สี่ตัวนี้เราเห็นแต่ขันแต่เราไม่เห็นตัวรู้ผู้รู้เราต้องภาวนาใช้สติเช่นพุทธานสุสติก็บริกรรมพุทธโธไปลมหายใจก็อาณาปานาสติดูลมไปมา น, านสุสติก็ดำลึกถึงความตายไป กายะกะตาสติก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายและดูอาการสาสิบสองของร่างกายไปอันนี้มันจะหยุดความคิดมันจะช่วยหยุดความคิดหยุดสัญญาหยุดสังขารสัญญาหยุดแล้วมันก็จะได้เห็นเห็นจิตเห็นตัวรู้เห็นตัวรูว้แล้วมันก็จะเห็นตัวกิเลส ท, ที่มีอยู่ในตัวรู้ เห็นตัวธรรมที่จะหยุดกิเลสมันต้องปฏิบัติถ้าฟังมันเข้าไม่ถึงตัวนี้เวลาฟังเราก็ฟังด้วยสัญญาฟังด้วยสังขารเวลาฟังไปเราพิจารณาไปเราก็ใช้สังขารพิจารณาตาแต่มันก็เป็นสังขารฝ่ายมากมันทำให้ใจเข้าข้างในได้เหมือนกัน ทำให้ใจสงบเหมือนกันแต่ไม่สงบเต็มที่มันไม่ทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งจิตต้องรวมเป็นหนึ่งต้องตกหลุมตกบอ่อแล้วอาการนามขันก็จะหายไปมีธนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะสงบตัวลงแล้วตัวรู้ คือจิตก็จะปรากฏขึ้นมาหรือสักแต่ว่ารู้แล้วในสักแต่ว่ารู้นั้นก็มีความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบมีอุเบกขาตัวนี้แหละที่เป็นจะเป็นตัวยืนยันว่าธรรมนี้เป็นอย่างไร ว่าเราสามารถที่จะพึ่งธรรมได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งหมดเพราะธรรมนี้ให้ความสุขกับเราดีที่สุดความสุขอย่างอื่นเป็นความสุขชั่วคราวความสุขทางตาหูจมูกม้นกายความสุขทางขันเนี่ยสุขสุเด็ดเด็ กิดดับเกิดดั บ, เ, ดดบเหมือนแสงหิ่งห้อยเวลาเกิดก็ดีใจเวลาดับก็เสียใจแต่ถ้าเข้าไปถึงตัวตัวจิตถึงตัวความสงบนี้มันจะเจอความสุขที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นความสุขที่อยู่มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เข้าไปหามันเองเราไปหาความสุขปลอมกัน ไปหาความสุขสุขสุขดิบดิบกันสุขแล้วก็ทุกทุกแล้วก็สุขเวลาได้สิ่งที่เราอยากได้มาก็สุขเวลาเสียสิ่งที่เราอยากได้ไปก็ทุก <c oughs> เราก็วิ่งตะคุกเอาอยู่กับความสุขแบบนี้เหมือนกับจับปลาไหลจับแล้วเดี๋ยวมันก็เลื่นหลุดมือไป สิ่งต่างๆที่เราได้คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกิือกายก็เป็นในลักษณะนั้นได้มาแล้วเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็ต้องหาใหม่ได้เท่าไหร่จึงไม่พอได้ล้านหนึ่งก็สุขตอนที่ได้ใหม่ๆเดี๋ยวก็อยากจะได้เป็นสองล้านความสุขที่ได้จากล้านหนึ่งก็หมดไปแล้ว ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้สองล้านก็เข้ามาแทนที่มันจะไม่มีวันอิ่มวันพอความสุขทางโลกความสุขทางราบยศสรรเสริญได้ตำแหน่งมาก็ดีใจไม่กี่วันเดี๋ยวก็อยากจะได้ตำแหน่งสูงกว่านี้ละได้สรรเสริญก็เหมือนกันได้แล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากให้เขาสรรเสริญอีกนะ <c oughs> ถ้าเขาไม่สรรเสริญก็เหี่ยวหอยเหี่ยวใจได้ลูกเสียงกิจลดก็เหมือนกันได้มาก็ดีใจพอได้มาแล้วก็ไม่มีความหมายสะละของที่ได้มาอยากจะได้ของใหม่ที่ยังไม่ได้เราจึงมีของเต็มไปหมด มีข้าวของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีกระเป๋ามีรถยนต์บางคนเศรษฐีบางคนมีรถเป็นสิบสิบคันต้องสร้างโกดังเก็บรถยนต์แล้วตัวเองก็ไม่ได้ขับแล้วให้ลูกน้องขับพอจอดทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็เสียเคยมีลูก ลูกน้องของเศรษฐีเจ้าของโรงแรมเขาขับรถเจ้าของขึ้นมาทำบุญด้วยเขาบอกนี่ไม่ใช่รถผมนะรถของเจ้านายขับจากั้ขับโรลส์อยอรถมันจอดที่ไม่เฉยเฉยไม่ได้ต้องวิ่งมาแต่เขาใจบุญเขาเจ้านายไม่ใจบุญเจ้านายไม่ได้มาทำแต่เขาเป็นคนใจบุญ ถึงแม้เป็นลูกน้องแต่เขาก็รู้ว่าพระอยู่บนเขานี่บ่ายๆก็ซื้อน้ำปานะมาถวายซื้อน้ำแข็งซื้อเครื่องดื่มอะไรมาถวายพระเพราะว่าต้องขับรถต้องขัรถมาวิ่งเขาก็เลยทำประโยชน์สองอย่างทำให้กับตัวเขาด้วยขึ้นมาฟังธรรมมาคุยธรรมะกับพระมีความสุขใจกลับไป มีความสุขว่าเกษตรีเศรษฐีมีรถก็ต้องเป็นพาระต้องต้องจ้างลูกน้องมาคอยดูแลรักษา <c oughs> อันนี้ <c oughs> พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าความสุขทางโลกคือทางลาบยศ ส, สรรเสงทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่ทําให้เราอิ่มให้เราพอ มันกลับทำให้เราหิวเราอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆได้คือก็อยากได้สอกได้สอกก็อยากได้วาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอมีคนเขาเรียงลำดับความอยากของมนุษย์ไว้ว่าความอยากของมนุษย์นี่มีหลายหลายหลายเก้าด้วยกันเก้าแรกก็คือ เกิดมาก็อยากให้อยู่ดีกินดีไม่อดอยากขาดแคลนพออยู่ดีกินดีแล้วก็อยากร่า อ, อยากรวยพอ ร, รวยแล้วก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตพอโตแล้วพอเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อยากจะมีอายุยืนยาวนานแล้วเวลาตายก็อยากจะไปสวรรค์คือความอยาก แต่ไม่มีใครอยากไปนิพพานกันทุกคนไม่อยากไปหาความสุขแท้ถึงแม้าตายไปไปสวรรค์ก็เป็นความสุขปลอมเพราสวรรค์ก็เป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาอยากเหมือนเดิมใหม่อยากอยู่ดีกินดีอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีอายุอยู่ยาวนานแล้วก็อยากไปสวรรค์ มันก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเวลาที่อยากแ้วไม่ได้ดังใจอยากอยากอยู่ดีกันดีกับไปอดอยากขาดแคลนก็ทุกข์อยากร่าอยากรวยไม่รวยก็ทุกข์อยากเป็นใหญ่เป็นโตพอไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ทุกข์อยากมีอายุยืนยาวนานพอไม่มีอายุยาวก็ทุกข์อยากไปสวรรค์ไม่ได้ไปสวรรค์ก็ทุกข์อีก ที่จะไปสวรรค์ไปนรกแทนพอไม่รู้วิธีไปสวรรค์ว่าไปยังไงวิธีไปสวรรค์ก็ต้องไม่ทำบาปแล้วก็ต้องทำบุญแต่เวลาอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตตรงที่มันก็ต้องไปทำบาปใชม่มันก็เลยไม่ได้ไปสวรรค์ตามความอยาก ตายไปแทนที่จะไปสวรรค์ไปนรกแทนไปอบายแทนถ้าไปทําบาปเพราะความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตถ้าไปทําบาปเพราะความหลงก็ไปเป็นเรยาฉานถ้าไปทําบาปเพราะความความโกรธเกลียดความอาฆาาพยาบาทก็ไปนรกในเวลาเราไป ไปหาอะไรตามความอยากบางทีก็ต้องไปต่อสู้กับคนอื่นแข่งขันกันแย่งกันแย่งกันไปแย่งกันมาเดี๋ยวก็โกรธกันเกลียดกันฆ่ากันได้เป็นใหญ่แต่ต้องอไปทำบาปพอตายไปแทนที่จะไปสวรรค์ก็ต้องไปนรกแทนไปอบายแทน ดังนต้องระวังในการทําตามความอยากของเรานี้อย่าให้ทําด้วยด้วยการทําบาปโดยเด็ดขาดจะได้ไม่ขาดทุนอยากได้อะไรก็หามาโดวยวิธีสุดจริญอย่าไปทําผิดกฎหมายผิดศีลห้าอย่าไปผิดศีลห้าพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ดีแล้วตายไปจะได้ไม่ไปไม่ไปนรกไม่ไปอบาย แต่จะไปสวรรค์ได้หรือไม่ต้องทําบุญด้วยถึงจะไปได้ถ้าไม่ทําบาปอย่างเดียวแล้วไม่ทําบุญก็ไปได้แค่เป็นมนุษย์ได้กลับมาเป็นมนุษย์ต่อแต่ถ้าได้ทําบุญก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆทําทน้อยก็ไปสวรรค์ชั้นต่ําทํามากก็ไปสวรรค์ชั้นสูงสวรรค์เป็นเหมือนโรงแรมมี มีห้าดาวสี่ดาวสามดาวสองดาวหนึ่งดาวเงินน้อยก็อยู่อยู่ดาวน้อยถ้าเงินมากก็อยู่ดาวมากการบริการดีกว่ากันใช่ไหมก็ถึงก็ถึงมีห้าดาวนะสวรรค์ก็เหมือนกันความสุขสวรรค์ชั้นต่างๆก็มีสุขน้อยสุขมากไม่เท่ากันอยู่ที่ทําบุญมากหรือทําบุญน้อย แต่นี้ไม่ได้สอนให้ไปสวรรค์ยนี่พูดเล่าให้ฟังว่ามันเป็นจริงที่นี่สอนให้ไปนิพพานแต่นี่พูดถึงความอยากของครูตุชนทั่วไปก็อยากแค่นี้แหละเพราะยังไม่อยากบวชกันใช่ไอมถ้าอยากจะไปนิพพานไม่ต้องบวชต้องทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งสามีทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วไปบวชอยู่คนเดียวเออ ถึงจะไปนิพพานถึงจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อ่าถ้าเป็นปุถุชนยังตายไปแล้วยังอยากจะไปสวรรค์แล้วยังจะกลับมาเกิดใหม่เอกลับมาเกิดแล้วก็จะได้มาหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญใหม่ก็อย่าทํำบาป ท, ทาแต่บุญไปเราตายไปก็จะได้ไป ไปสวรรค์ไปเที่ยวสวรรค์นี่ก็ไปเหมือนที่ท่องเที่ยวเราไปเที่ยวกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปแล้วก็มีที่พักที่กินที่อะไรถ้าทำบุญมากก็จะได้ไประดับห้าดาวถ้าไปน้อยทําน้อยก็ได้ระเบีบระดับดาวเดียวเหมือนเครื่องบินก็ยังมีแบ่งชั้นเลยใช่ไหม ชั้นหนึ่งกับชั้นชั้นประหยัดชั้นประหยัดก็กินข้าวกล่องไปชั้นหนึ่งเขาก็มีอาหารตามสั่งมีเครื่องดื่มพิเศษให้ดื่มเพราะเขาเสียเงินมากกว่าเขาจ่ายมากกว่าชั้นหนึ่งนี่มันสองเท่าของชั้นประหยัดเนี่ยจะได้บริการเท่ากันได้ยังไง ถ้าบริการเท่ากันก็ไปชั้นประหยัดจ่ายชั้นประหยัดไม่ดีกว่าสวรรค์ก็แบบเดียวกันความละเอียดความสุขของสวรรค์ก็มีต่างระดับกันไปตามตามปริมาณบุญที่เราทำกันฉะันถ้าตายไปแล้วอยากจะไปสวรรค์ก็ให้ทำบุญมากๆ แล้วก็อย่าทำบาปถ้าตายไปแล้วไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ให้ไปบวชกันแทนที่จะถือศีลห้าก็ไปถือศีลแปดศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยสิบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าเป็นศีลของนักบวชของศีลของผู้ที่จะไปนิพพานกันต้องเหมือนกับนั่งเครื่องก็ ตีตั๋วเครื่องที่ที่บินไปไกลเครื่องที่บินใกล้ๆไม่ไปไปห้องกองอีปุ่นนี่ไม่ไปนี่จะไปยุโรปไปอเมริกาเลยก็ต้องตีตัว๋วตีตั๋วชนิดที่ไปไกลๆผู้ที่จะไปไกลๆไปนิพานได้ก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไป เพราะศีลแปลจะช่วยให้เรามีเวลาที่เราจะได้มาอนึงใจไปนิพพานนั่นเองใจนี้มันไม่ยอมไปนิพพานตอนนี้ใจมันชอบเวียนอยู่เวียนไห้ตายเกิดในตายพบอยู่ในวัฏฏะสงสารยังชอบเวียนไหวตามพบต่างๆพบของเทศ พ, พบของพรหมพบของมนุษย์ แล้วถ้าเผลอไปทำบาปก็ใบพบของเดระชานพบของเปรตพบของนรกถ้าได้ทาบุญได้รักษาศีลถ้าได้ถือศีลแปดก็จะมีเวลามาดึงใจให้ออกจากการวนเวียนอยู่ในตายพบให้ดึงออกไปจากตายพบให้ไปที่พระนิพพานไป อ น, นิพพานก็เป็นเหมือนกับถ้าเราอยู่แม่น้ำถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่มีแม่น้ำขั้นอยู่ถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องไหว้น้ำข้ามไปอยู่อีกฟากหนึ่งมันไม่ไปเองต้องไหว้ข้ามไปถึงจะไปได้จะไหว้ไปได้ก็ต้องมีมีเวลาไหว้ ถ้าเราเอาเวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปไว่ายน้ำข้ามข้ามไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้เราก็ต้องยุติการเที่ยวการเล่นกันให้ถือศีลแปดนี่ก็เพื่อให้เราเลิกเล่นเลิกเที่ยวกันไม่ให้นอนกับแฟนไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้เที่ยวตามหนังบันเทิงต่างๆ มาให้ดูหนังฟังเพลงดูละครดูดิเกดูคอนเสิร์ตดูอะไรต่างๆก็จะได้เอาเวลามานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบการรีกทำใจให้สงบนี้เป็นการว่ายน้ำข้ามฟาจากฟาของของสังสารวัตไปสู่ฟาของพระนิพพาน พระนิพพานคือความสงบนี่ใจสงบก็ไปถึงนิพพานตอนต้นก็ได้นิพพานชั่วคราวได้ความสงบชั่วคราวเวลานั่งสมาธิจิตก็สงบชั่วคราวเดี๋ยวก็ออกจากสมาธิมาออกจากสมาธิมาความสงบก็หายไปความอยากความต้องการสิ่งต่างๆก็กลับมา ก็ต้องฝืนต้องบังคับใจต้องสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากต่างๆอย่าไปเล่นอย่าไปเที่ยวอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเพราะเป็นการกลับไปหาการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไม่ทำตามความอยากอยากดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มอยากกินขนมก็ไม่กินถ้าจะดื่ม ก็ดื่มเพื่อร่างกายร่างกายหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าก็พอไม่ต้องดื่มกับน้ำกาแฟเอากาแฟออกไปเอาแต่น้ำเปล่าๆร่างกายมันไม่สนใจหรอกว่าเป็นน้ำอะไรเวลามันหิวน้ำขอให้มันได้กินน้ำมันก็มันก็หายหิวแล้วแต่ความอยากมันชอบรสชาติด้วยเดื่มน้ำเปล่าๆแล้วมันไม่มีรสชาติ มันไม่มีความสุขเราติดรสชาติกันเราติดความสุขจากรสชาติกันจึงทำให้เราต้องกลับมาหารสชาติอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ติดรสชาติเราก็ไม่ต้องกลับมาหารสชาติเราต้องละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสรูปของกาแฟกลิ่นของกาแฟเสียงของกาแฟรสของกาแฟ กินของกาแฟาเป็นต้นถ้าจะดื่มก็ดื่มเพื่อร่างกายดื่มน้ำเปล่ามีประโยชน์กว่าไม่มีคลิปไม่มีพายเหมือนกับดื่มกาแฟาดื่มกาแฟามากๆเดี๋ยวร่างกายก็ไม่สบายได้แล้วก็ติดเวลาไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์ทรมานใจ เราต้องหักข้ามจิตใจไม่ไปทำตามความอยากทางตาหูจมูกมือกายไม่ไปทำตามความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรก็ไม่ซื้อถ้าไม่จําเป็นอยากได้เสื้อผ้าอยากได้กระเป๋าใหม่ได้รองเท้าใหม่ถ้าของเก่ายังมีอยู่ยังใช้ได้อยู่ก็อย่าไปซื้อมันถ้ากระเป๋ามันไม่มีก็ใช้ถุงพลาสติกอะไรก็ได้ ไม่ต้องเสียไงใส่ของได้เหมือนกันแล้วไม่ต้องมาคอยกังวลว่ามันจะหายหรือไม่หายเเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้บ่อยๆเปลี่ยนยี่หอได้เดี๋ย <c oughs> วก็โลตัส <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> นี่คือการใช้ของแบบไม่ตมัดไม่ใช้ตามความอยากใช้ตามเหตุตามผล เ้าลองใช้กระเป๋าก็เนี่ยถุงพัาสติกนี่ก็มีอยู่แล้วทำไมต้องไปเสียเงินซื้อซื้อกระเป๋าเบอร์ชาเช่ชาแนลดีออซื้อยี่ห้อเสียเสียเสียเงินที่ห้อไม่ใช่กระเป๋ามันก็ทำมาจากที่เดียวกันแต่ถ้าไม่ได้ติดยี่ห้อมันก็มันก็ถูกถ้าติดยี่ห้อมันก็แพง แล้วมันก็ใส่ของอันเดกเหมือนกันใช้ถุงพลาสติกก็สบายพับได้ด้วยม้วนได้อะไรได้สะดวกกว่ากระทัดรัดกระเป๋าหนังนี่มันเถอทะทะเลยนี่คือความอยากต่างๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องตัดให้หมดอยากได้ของอะไรในโลกนี้ต้องไม่เอาหมด ต้องมองว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเหนียวเดียวแล้วมันทําให้เราทุกข์กับมันเพราะเราต้องคอยดูแลรักษามันคอยหามันเวลามันหายไปก็ทุกข์เวลาไม่มีอยากได้ก็ทุกข์เวลามีก็ทุกข์กับการคอยดูแลรักษามันีสรุปแล้วไม่ได้หาความไม่ได้ความสุขจากขอ ง, งต่างๆที่เราหามาได้กลับได้ความทุกข์ได้ความกังวลใจ ชือไม่มีอะไรดีกว่าสบายกว่ามีเท่าที่จำเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้ามีสมบัติแค่แปดชิ้นเท่านั้นเชื่อไหมรู้ไหมพระพุทธเจ้ามีอะไร8ปดชิ้นเนี่ยบาทไง บ, บาทหนึ่งใบจีวรสามผืนก็เป็นสี่ชิ้นมีดโกนก็เป็นห้าเข็มขัดรัดเอวก็เป็นหกเข็มกระด้าก็เป็นเจ็ด ที่กองง้างก็เป็นแปดเรียกอัฏฐบริขาร น, นี่แหละส่วนของพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายท่านมีแค่นี้ท่านอยู่ได้มีบาปใบหนึ่งก็ไปไหนก็มีกินละไม่อดตายเช้าก็หิ้วบาตรเดินเข้าหมู่บ้านไปเดี๋ยวก็มีคนใจบุญใส่บาตรให้กินเอง จีวรก็ผ้าสามผืนก็ พ, กพอลวไปได้ทุกแห่งทุกคนไปได้ทุกที่ไม่มีใครก็รังเกียจ้าจีวรไปงานไปงานบ้านคนรวยงานบ้านคนจนบ้านพระเจ้าแผ่นดินก็ไปชุดนี้แหละไม่ต้องมีชุดพิเศษอะไรไปได้ทุกแห่งทุกคน นี่แนะการใช้ของตามความจำเป็นไม่ได้ใช้ได้ความอยากของ พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยตัวอย่างของผู้ที่ใช้ของตามความจำเป็นเท่านั้นไม่ได้ใช้ของตามความอยากถ้าใช้ของตามความอยากก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังรถยนต์ต้องห้าสิบคันไม่รู้มีไว้ทำไมมีเศรษฐีคนหนึ่งสร้างตึกไม่รู้สื้กี่สิบคันยังม่รูอยู่อยู่กับครอบครัวนะั่น แล้วในตึกนั้นก็มี ม, มีโรงภาพยนตร์มีอะไรของเขาทั้งหมดสร้างเพื่อตัวเขาเขาอยู่แล้วก็ต้องไปจ้างคนใช้มาดูแลรักษาอยู่ไปทำไมมันมีความสุขที่ไหนมีแต่ภาระมีแต่ความกังวล อย่างนี้ก็ยังหนงกันอยู่นะคนมีสตางค์นีโอ้สร้างบ้านหลังละ5้าสิบล้านร้อยล้านเวลานอนหลับมันรู้เปล่ามันนอนบ้านราคาเท่าไหร่เวลาหลับมันก็หลับเหมือนกันนะบางทีนอนไม่หลับนม่ซ้าไปวิตกกังวลไนะอ้ระบบรอประพอเสียหรือเปล่าระบบะป้องกันไฟเสียหรือเปล่า คือคนที่นอนแบบใต้สะพานไม่ได้ขอทานนอนใต้สะพานหลับสบายไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลกังวลอย่างเดียวพรุ่งนี้จะกินที่ไหนจะมีอะไรกินหรือเปล่าพระ ก, ก็อยู่แบบนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พระอยู่แบบขอทานสมัยพระพุทธเจ้านี่ไม่มีวัดอยู่กันตามป่าตามเขาเนี่ย อยู่ตามโคนไม้เอาพวกกิ่งมง้งกิ่งไม้เอาไม้มื่อยมาทำเพลิงมาหลบแดดหลบฝนอยู่กันไปตามมีตามเกิดอยู่ป่าชา้าที่ไปอยู่ป่าช้าเพราะจะได้มีความสงบเพราะตอนนั้นไม่มีใครมาวุ่นวายไม่มีใครชอบไปเล่นกันแถวป่าชา้าเด็กไม่ไปกันเวลานั่งสมาธิไม่มีใครไปรบกวน แล้วก็มีธรรมะของดีให้ดูของดีคือซากศพนี่แหละเป็นของดีดูเห็นซากศพแล้วจะได้ปง่งได้ต่อไปจะได้ไม่กลัวตายว่ารู้ว่าเดี๋ยวต่อไปร่างกายก็ต้องเป็นซากศพไปกลัวไม่กลัวก็เป็นกลัวก็ทุกข์ไปเปล่าๆไม่กลัวก็ไม่ทุกข์ เดี๋ยวปรองได้อยู่กับสร้างศพบ่อยๆเห็นบ่อยๆเดี๋ยวก็ปรองเองแล้วก็สบายใจไม่ต้องมาหวาดกลัวกับภัยต่างๆทุกวันนี้หวาดกลัวกั น, นถึงก็ต้องซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตกันให้วุ่นให้วุ่นไปหมดซื้อแล้วก็ประกันไม่ได้อยู่ดีซื้อก็ซื้อประกันชีวิตก็ตายอยู่ดีซื้อประกันภัยก็ ก็เจะบพายอยู่ดีเจ็บตัวอยู่ดีแต่ถ้าไปเห็นของจริงแล้วมันจะทำให้เราตรงได้ปลงแล้วเราจะไม่ไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายก็จะไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเฉยๆเหมือนกับตอนที่ไม่ทุกข์ไม่ไม่ไม่ตาย อ น, นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆวิธีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นทุกย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นตาตามใด ย, ยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นยังมีความทุกข์อยู่เอามาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลาดพลากจากของต่างๆ สิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบเวลาเราพัดพากกันมีใครหัวเราะไหมไม่มีใครหัวเราะนะมีแต่ร้องห่มร้องไห้กันเนี่ยถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ก็ต้องมาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายเจอกับการพัดพากกันแต่ถ้าไปบวชได้ไปปรงได้ไปตัดความอยากต่างๆได้ อยู่แบบพระพุทธเจ้าได้มีแค่อัตถะบริขารมีสมบัติแค่แปดชิ้นอันนี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะตัดความอยากได้หมดอยากอยากได้เงินทองก็ไม่มีอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่มีไม่อยากเป็นนายกไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีไม่ได้อยากเป็นผู้ว่าไม่ได้อยากเป็น สสไม่ได้อยากเป็นนายกเทศมนตรีกรรมนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้จัดการเป็นรองผู้จัดการเป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสในตำแหน่งทั้งนั้นอยากกันทั้งนั้นไม่รู้ว่าอยาก้วจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันไม่มีใครคิดเลยใช่ไหมว่า การอยากเป็นนู่นเป็นนี่จะทําให้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวที่รู้แล้วคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติก็จะรู้เห็นเหมือนกันดูเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดกันพออยากจะเป็นอะไรมันก็ต้องมีร่างกายใช่ไ้มถึงจะไปเป็นได้ไม่ได้ไปเป็นผีแล้วไปสมัครเป็นผู้แทนได้เปอ่ <laughs> ต้องมีร่างกายต้องกลับมาเกิดพอเกิดแล้วก็ต้องไปเรียนหนังสือไปรับปริญญาว่าจะเป็นผู้แทนเขาเดี๋ยวนี้ต้องจบปริญญาตีต้องมีวุฒิแต่ไม่รู้หรอกว่ากลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาเจอความทุกข์ต่างๆทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดผ่าจากกัน ไม่รู้ว่าได้ตำแหน่งมาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้มาเป็นผู้แทนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ครบวาระเลือกตั้งใหม่หรือถ้าไม่ครบวาระปฏิวัติแล้วหมดไปแล้วเป็นนายกก็หมดไปเป็นอะไรก็หมดไปแล้วเดี๋ยวเขาเปิดเปิดเลือกตั้งใหม่ก็สมัครกันใหม่ไม่เข็ดไม่ลืมกันจําไม่ได้ไม่เข็ดไม่จํากัน ความอยากมันจะทำให้เรามองมองไม่เห็นอ น, นิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะกลับไปคิดว่าเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่เราอยากได้มันจะเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดแล้แต่ น, นังมันยังหลอกเราเลยใช่ไหมพอพระเอกเจอนางเองปกปั๊บก็จบแล้วก็จะอยู่กันไปตลอดเดี๋ยวก็มีภาคสองตามมาอย่ากันแล้วสิ <laughs> เรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรามองไม่เห็นความเป็นของชั่วคราวของสิ่งต่างๆเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นของถาวรกันเราอยากได้กันคิดว่าได้มาแล้วจะได้ความสุขถาวรได้มาเดียวๆความสุขที่ได้จากของนั้นก็หายไปแล้วพอเกิดความอยากได้ของใหม่ขึ้นมานะแล้วพอไม่ได้ของใหม่ก็ทุกข์ละ พอได้นยร้อยก็ดีใจพออยากจะเป็นนายพันขึ้นมาไม่ได้ก็เสียใจนะแล้วความดีใจที่ได้จากนายร้อยมันหายไปไหนหายไปหมดแล้วอยากจะเป็นนายพันขึ้นมาเจนะ่ะนี่คือตัวที่จะทำให้เรากลับมาเกิดกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ให้คนเขาด่าเราว่าเราอยากไม่พัดพากจากกันความอยากเหล่านี้จะทำให้เราต้องทุกข์กันแล้วก็ต้องมามามาทกันเพื่อจะได้ไม่ทุกข์กันเวลาอยากเราอยู่เฉยๆไม่ได้อยากดูอยากฟังอะไรนี่ต้องไปดูต้องไปฟังถึงจะหายทุกข์กัน อยากอยากไปเที่ยวข้างนอกพอไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บ้านก็เหงาว้าเวต้องออกไปให้ได้ออกไปก็ดีใจเดี๋ยวกลับมาก็เหมือนเดิมอย่างที่เขพูดว่าออกไปเหมือนไก่บินกลับมาเหมือนหากินเว <laughs> <laughs> ลากลับมาบ้านคอพับกลับมาเห็นภาพเย เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องออกบวชแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขกับความว่างเปล่าไม่ต้องมีอะไรแล้วเวลามีความอยากก็เอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนว่าถ้าถ้าไปทำตามความอยากก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องมาทุกข์ใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็อย่าไปทาตามความอยากทาแบบพระพุทธเจ้า มีอัถรร บ, บริการเนี่ยมีเสื้อผ้าสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้เปลี่ยนพอแล้วแค่นี้จะไปมีมากมายทำไมเสื้อผ้าก็มีไว้แค่ปกปิดร่างกายคุ้มครองรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ต้องมีเป็นร้อยร้อยชุดหรอกมันก็คนคนเดียวยสหละใส่ชุดไหนมันก็คนเก่ามันไม่เปลี่ยนอะไรหรอก อย่าไปลหลงไหลกับสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะทำให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆมารือศีลแปดกันมาหัดนั่งสมาธิกันตามใจใสงบแล้วจะมีความสุขมากกว่าได้เงินร้อยล้านพันล้านเพราะไม่มีความทุกข์เหมือนกับได้เงินร้อยล้านพันล้านมาเดี๋ยวถูกกัลติร้อยล้านทักสิบล้านเนี่โอ้ต้องหนีคนแนละ้วเห็นต้องหลบแนละ้ว เดี๋ยวคนตามมาม า, มายืมมาขอมาอะไรวุ่นพี่น้องไม่เคยเจยกันเป็นสิ บ, ส, บสิบปีไม่รู้หผลกมาได้ยังไงเ mm hmm. พื่อนฝูงไม่เคยเจอกันเนี่ยโผล่มาเต็มไม่หมดถ้าไม่ให้เขาเขาก็ด่าเราเอีใช่ไหมทุกข์อีกนะงั้นอย่าไปลหลงไหลกับราบยศสรรเสริญหลงไหลกับรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ในโลกนี้มาลหลงไหลกับความสงบดีกว่า มาฝึกทำสมาธิทำใจให้สงบเราจะพบของจริงของแท้ของที่จะอยู่กับเราไปตลอดของที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาอนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปะเลกปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปทจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุไรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัจ a ั t ตุสัพพารุโขวนัสสตุ มาเตผวะตวันตาลายยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทานสีฤทธะนิจังุทธาปจายโนจตารุธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังใครมาทีหลังถ้าต้องการเราเข้า เขามาถอยเข้าของก็เข้ามาได้ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบได้เอาไปอ่านได้หนังสือเหล่านี้จะสอนวิธีทำความสุขเอาไปแล้วต้องอ่านนะถ้าไม่อ่านมันไม่เกิดประโยชน์มาจากที่ไหนราชดากุงเทพเลยมาไกลนะ เรื่อใหม่ไกกว่ามาทัร์กันนะเรียกว่าตั้งใจมาที่นี่เลยนะที่นี่ไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรน่าดูเลยน่าชมเลยคือตั้งใจเอาไวคุยกับเพื่อนเอาไว้ว่ามันเป็นข้อขัดแย้งในหลายๆคำสอนก็เมันไม่ ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแล้วก็เลยคกับเพื่ น, น, น, นว่าคุกับเพืนว่าทำไมแต่ละอย่างมันมีช่องโหว่ให้เราต้องมาตำเนินให้เราบอกว่าไม่จริงอย่างนั้นแล้วใครใครจะาาถามมาตอบคําถามเราได้จริงว่าจริงๆแล้วอะอะไรกันแน่ที่เราสมควรทีนี้ท่านแต่ละท่านร้อแล้วแต่ปฏิบัติสูงและสมควรแล้วแต่ ลูกเห็นมันมีช่องว่างทีเนี้ยตัวลูกเองก็ไม่ได้ปฏิบัติดีเท่าแต่ลูกอยากเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องที่สุด เ, เพื่อการเดินตามทางแต่ทีเนี้ยลูกก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยทำยังไงดีแล้วใครละ่ะที่จะมาสอนเราถ้าหากว่าท่านยังยังทาในช่องโหว่ที่เราทาได้แต่ท่านอ่ะจะไม่ได้ทำตรงนั้นในสิ่งที่เราทา แต่ตรงอื่นท่านทาดีกว่าแต่ตรงที่เราทําได้ท่านไม่ทําอืมแล้วจึงมีกลวะทางไหนถูกทางไหนทางนี้ก็เลยไปเจาะเห็นดตาก็ก็เลยพาขึนมาอมอยากได้ปัญญาอืมแต่วันนี้พอฟังเข้าใจไหมค่ะอเป็นพื้นฐานที่พวกลูกพากันทาําแต่ว่าสิ่งที่ลูกมาทาอยู่พวกเราเรายังต้องขึ้นทางลูกเป็นอย่างนี้เหมคะ สิ่งที่ลูกเรียนรู้ก็คือเราจะทำาังให้การทงโลกของเราเยอยู่ได้เหมือนนับสิ่งนักปฏิบัติเพราะว่าลูกเริ่มมีมลูกเริ่มมีคณะที่จะเป็นสายสร้างไม่ใช่สายที่ปฏิบัติเรากำลังเริ่มสร้างแต่ว่าเราก็ครอบควุการปฏิบัติ แต่ลูกได้นำตัวเขาไปแล้วลูกก็ไม่สามารถอธิบายให้เขาได้แจ่มแจ้งได้ลูกเขา อ, อนุญาตยกตัวอย่างมีไปสถานที่หนึ่งไปสร้างพระแล้วพระท่านได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ว่ามีข้อข้อช่องโหวที่ลูกไม่สามารถอธิบายได้เพราะหลายคนก็ศรัทธาท่าน มองเห็นว่าเป็นไปตามนั้นคือว่าตามคําสอนที่โลกได้รู้ก็คือฆ่าผู้คือศีลจะต้องสมยอมทั้งกายวาจาใจอืแต่ว่าท่านได้สอนว่าวาจานั้นเป็นแค่เปลือกนอกจะนู่นมองว่าวาจานั้นเป็นสิ่งสําคัญเหมอนกันที่ไม่สามารถละเลยเพราะหากอ่าเปลือกนอกไม่ดีคันใหม่มันก็จะถูกทําร้ายอ ลูกไปมองว่าหากวาจาไม่สุภาพแล้วก็จะถูกตําหนิส่วนผู้ที่เขาศรัทธาเขาก็มองว่าแกนแท้เป็นอย่างไหนแกนแท้คือสาคัญที่สุดส่วนพอรูกว่าสามอย่างสําคัญหากวาจาไม่สํารวมแต่กายสํารวมใจสํารวมมันก็ยังถูกตาหนิอยู่ดีลูกไปอยากเห็นอ่าปัญญานั้น คือกายวาจานี้มันออกมาจากใจใจเป็นต้นการแสดงออกทางวาจาทางกายนี่เป็นปลายถ้าต้นมันไม่ดีปลายมันก็ไม่ดีถ้าต้นดีปลายมันก็ดีแต่วาจานี่เราก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าบางทีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอาจจะพูด คำพูดที่เราฟังอาจจะสมัยนี้อาจจะถือว่าเป็นคําหยาบเช่นมึงกูอย่างนี้เราก็ต้องรู้ว่าอันนั้นมันเป็นเป็นเรื่องปีกย่อยที่มันเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่มีสิทธิ์พูดได้เราเป็นผู้น้อยไม่ควรจะพูดอะไรต้องรู้จักแยกแยะเหมือนกันหลวงพ่อคุณท่านก็บอกกูมึงอย่างนี้แต่เราจะไปพูดกูมึงแบบท่านก็ไม่ได้ ว่าเรามันต่างฐานะกันคําพูดเหล่านี้มันไม่ได้บ่งบอกถึงความความเลวร้ายของจิตใจอะไรสิ่งที่บ่งบอกความเลวร้ายของจิตใจก็คือสัจจะพูดจริงแล้วพูดโกหกอันนี้ยอันนี้ถ้าพูดสับ ป, ประรดหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่มีหลวงปู่องค์นึงท่านก็พูด ตรงไปตรงมาขี้เยี่ยวอะไรนี้สั้นแต่แสดงธรรมกรรมฐานมันก็ร่างกายมึงก็มีทั้งขี้มีทั้งเยี่ยวอย่างนี้ท่านก็พูดออกไปอันนั้นก็อ่านวกนี้น้อยไปอ่านน้อยไปเป็นเป็นวาจาที่ไอเหี้ยไอใสแม่งเลยแล้วของตำตาแล้วตัวตัวผู้อาจารย์ที่สอนคือท่านก็มีการอ่า กายที่สุภาพอ่าใจที่สุภาพแต่วาจายังมีนิดนึงแต่ผู้ที่เป็นเขาเรียกอะไรสอบคามพระนุ่มไม่รู้คือลูกศิษย์ที่เป็นลุกศิษย์ด้วยอ่ะค่ะที่เป็นพระเอเขาบอกว่าหนักเลยค่ะอันนั้นจะรับไม่ได้แล้วจะปลุกกรรมฐานได้ยังไงนะใจได้ยังไงมึงต้องรับให้ได้ทุกอย่างเขาพูดหรือเขาด่าอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะมึงต้องรับให้ได้แต่มันเปลือกนอกอะ ทุกคนฟังมันส่วนใหญ่มันจะรับไม่อย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะท่านสอนให้เราพูดด้วยวาจาที่สุภาพไม่ใช่ไม่ใชใช้พารุษวาสคำหยาบต่างๆนี้ไมใ่ใช้ยกเว้นในกรณีที่มันเกี่ยวกับธรรมะบางทีอาจจะให้มันได้อัธรือเห็นชัดเจน อ, อย่างที่เคยเล่าทิฏฐานว่ามีพวกลูกศิษย์เนี่ยมาฟังธรรมจากหลวงตาองค์หนึ่ง ฟังแล้วกิเลสตายหมดหายหมดเลยหลวงตาก็ด่าครับอีตอแหล่อย่างนี้อย่างนี้มันก็แต่มันมีเหตุผลของท่านที่ท่านพูดอย่างนั้นพูดให้มันถึงใจท่านที่พูดไม่ได้ว่าเขาตอแหลวหรอกท่านพูดเพื่อจะทดสอบใจเขาว่าไม่มีความโกรธจริงหรือเปล่าใช้ไหม ถ้าพูดดีๆเออดีนี่มันก็มันก็เลยอาจจะทําให้เ้าหลงว่าเออเขาอาจจะไม่มีกิเลสหายไม่มีกิเลสอยู่อะไอยู่แล้วท่านก็เลยต้องหาวิธีกระทุ้งกิเลสก็แล้ปร<บ> ะ, <อ>ะมาณว่าจะให้กิเลสออกเยอะๆแล้วเขาจะไม่ให้เราโมหูเขาให้เราตู้กับกิเลสออบางครั้งมันก็เจอสู้ไม่แต่หนูมองว่าอ่าลูกศิษย์ลูกหาอ่าท่านพยายามที่จะให้เราเข้าใจในเรื่องของอ่า เปลือกนอกมันไม่ได้สำคัญเท่าแก่นแท้แต่าลูกศิลปลูกหาที่ไม่ได้เข้าใจจริงๆแล้วกับอแสดงิริยาที่ที่ที่ที่ไม่สมควรอบบกระโดดโลดเต้นนะนะไม่ควรนะไม่ควรอ่ะไม่ควรนะทั้งสิน้นควรจะสํารวมวาจาก็สุภาพยกเว้นเป็นกรณีจำเพาะไปเป็นข่าวๆไปเป็นอุบายของท่านสอนกันนี้ก็อาจจะใช้คํา คล้ยๆพารุษสวะบ้างอังนี้ก็อันนี้มันเฉพาะเป็น เ, เวลา เ, า, า, ว า, าเฉพาะกิจอย่างเงี้ยวาจาเฉพาะกิจแต่ถ้าโดยปกติแล้วก็ต้องคุยกันอย่างนี้คุยแบบคนทั่วไ ป, ค น, วไปคนทั่วไปเขาคุยกั น, นเขาก็พูดโดวยวาจาที่สุภาพทีนี้หนูควรจะบอกเราหมู่คณะของหนาเองเพื่อให้เขาวางวิ่งเฉยยังไงแล้วก็เพราะว่าเราเองตัวหนูเองหนูตั้งใจที่จะสร้างค้ะ แต่ว่าเมื่อลูกหมู่คณะทั้งหลายฟังกุ๊กก็จะมีจิตตมหนฉซึ่งหมู่ก็ไม่อยากให้หมู่คณะทั้งหมติดบาปติดกรรมก็เลยอยากจะได้คำแนะนำว่าเราควรจะบอกหมู่คณะเรายัางไงให้าว่างในจุดนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าคนฟังนี้ต้องฟังด้วยใจที่เป็นอุเบกขาคือสักแต่ว่าฟังไปอย่าใส่อารมณ์กับสิ่งที่เราฟังคาชมก็ฟังแล้วก็อย่าไปดีใจกับคาชม คำดา่าคำหยาบฟังแล้วก็อย่าไปเสียใจไปโกรธกับคำหยาบให้ฟังเฉยๆฟังด้วยใจที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาคือไม่มีอารมณ์ไม่มีรักไม่มีชังกับสิ่งที่เราได้สัมผัสรับรู้ให้รู้เฉยๆแต่ถ้าเป็นจิตที่ยังไม่ได้ฝึกฝนมันย่อมทำไม่ได้เพราะมันยังมีรักมีชังอยู่ในใจอยู่ถ้าฟังสิ่งที่ชอบก็จะรักจะ มีความสุขถ้าฟังในสิ่งที่ไม่ชอบก็จะโกรธจะเสียใจอันนี้ระดับวิปัสสนาที่พูดถึงนี่หมายถึงผู้ปฏิบัติถ้าถึงระดับนั้นแล้วต้องไม่สนใจกับคําพูดของคนอื่นเขาไม่ต้องสนใจกับการกระทําของคนอื่นเขาให้สนใจอยู่กับการรักษาใจเราตัวเดียวรักษาใจของเราให้สงบไม่ให้ไปเป็นจิงหรีดกันยังไหมรู้จักจิงหรีดไหม เวลาเขาอะไรมาปั่นหัวหน่อยก็ร้องใช่ไหมอารมณ์ใจของพวกเราก็เหมือนจิงหลีดพอใครเขาพูดอะไรดีหน่อยก็โอ้โหใจฟูขึ้นมาเวลาเขาพูดอะไรไม่ดีหน่อยก็ใจแฟบอันนี้พูดถึงระดับของการปฏิบัติถ้าเหมือนถึงจุดนั้นแล้วต้องไม่ฟูไม่แฟบก็ใชมไหมใจเราต้องไม่เป็นจิงรีดใจเราต้องเฉยๆใครจะมาปั่นเอาอะไรมาปั่นที่หัวจิงหรดจิ้งหลีดมันก็ไม่ไม่ร้องนะมันเฉยๆ น้ำตาค่ะแล้วมันจริงแท้แค่ไหนที่หากเราเป็นต้นตอของการสร้างกรรมของผู้อื่นหรือเราไม่ได้เจตนาเราก็จะติดวิบากกรรมนั้นด้วยหรือเปล่าคะกรรมใครกรรมมัน ค, คือใครทํากรรมอันใดว่าต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเองหากเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะทําให้เขาเข้าใจผิดแต่เรายังคงกระทาอยู่ในนี้เราก็ติดกรรมหรือเปล่าคะกรรมของเราก็คือเราไปทําให้เขาเข้าใจก็เท่ากับเราไปหลอกลวงเขาไง ใช่ไหมอย่างเรานิ่งเฉยคิดว่าฉันบริสุทใจแต่การกระทํามันต้องกระจ่างแต่ว่านางรู้อยู่แล้วว่าไม่กระจ่างแต่กระทําไปอย่างนั้นพวกคิดว่าตัวเองบริสุทธ์อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องอธิบาย ใ, ใครฟังแต่รู้อยู่แล้วว่าธรรมชาติยังไงเขาก็ต้องเข้าใจผิดแต่ก็ยังคงกระทําอย่างนี้ติดกรรมหรือปล่าจะ๊ะค่ะก็อยู่ที่เจตนาไงว่าเรามีเจตนาที่จะอ ให้เขาเดือดร้อนให้เขาเสียหายหรือเปล่าถ้ามีเจตนามันก็มันก็บาปมันก็เป็นกรรมแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาเราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็ไม่บาปใช่มมันกรรมมันเกิดจากเจตนาและเกิดจากการกระทาที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นมามันถึงจะเป็นกรรมมันถึงจะครบองค์ ถ้าเราไม่ได้ไปมีเจตนาเราเพียงแต่ทาไปตามความรู้สึกของเราความรู้ของเราเราก็ทาไปส่วนคนอื่นจะเอาไปทำให้ดีหรือให้เสียนี่เราก็ไม่ได้เป็นมันเป็นเรื่องของเขาลูกเขาเปลี่ยนหัวข้อ่อเอาเลยวันนี้นันจน ไ, ได้ฟังของแปลก <c oughs> ตกลงหัวข้อแรกนี้เข้าใจหรือยังผมยังไม่ค่อยเข้าใจก็ถึงที่ถือว่าถือว่ารูปบขาดหรือเปล่าหรือว่าขาดเมตตาที่จะอธิบายให้กขาเข้าใจหรือเปล่าก็นั่นนี่สิผมยังไม่ค่เข้าใจนะครก็ยังไม่ไม่ทราบรายละเอียดนะว่าที่ที่พูดเนี่ยโยงมาลองยกยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ค่ะอย่างลักษณะของหลวอยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดหน่อยคืออย่างนักปฏิบัติ เห็นเห็นว่าเขาเ็จะจะเข้าใจผิดก็ยังเฉยอย่างเงยครับเดี๋ยวให้เขาอธิบายวันนี้ก่อนนะอ่อ่าจะไปอ่านอรีฮึฮึแ่ยไปแล้วแล้วส่งเสริมให้ลูกผิดไม่ไม่ไม่เอาของจริงเลยสิของจริงเลยความที่เราเห็นอย่างเช่นกรณีของเพื่อ ซึ่งเป็นเพศตรงข้ามซึ่งแปรสภาพแล้วมีแฟนเรามาถือศีลด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเองอเขาเองไม่ได้เจตนาที่จะสอนในเรื่องของกรรมณ์แต่เพียงแต่ว่าการถือศีลแปดอย่างเงี้ยเราห้ามถือท้อต้องตัวกันแต่ว่าพวกเขาเองคิดว่าเขาบริสุทใจเขาไม่ได้คิดจะทำเรื่องพันนั้นเพียงแต่ว่าแค่จับชายผ้า หรือจับเนื้อจับตัวกันในแบบที่ไม่ได้มีอะไรในความรู้สึกอะไรเลยแต่ตามธรรมดาของมนุษย์แล้วอ่ผู้ถือสิ่งที่เพศตรงข้ามแล้วไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะถูกเนื้อต้องตัวกันแต่เมื่อเราบอกแล้วเขาก็จะบอก ว, ว่าเขาไม่ได้มีจิตเจตนาอย่างนั้นเขาไม่ได้ผิดแต่รู้อยู่แล้วว่าคุณต้องเข้าใจผิดแต่ก็ยังคงกระทำอย่างนี้นะะอ๋อไม่หรอกเราทําหน้าที่ของเราเนี่ยเราบอกเขาว่า วิธีที่รักษาศีลที่ถูกต้องทำยังไงแล้วเขาก็ดื้อเขาลั่นของเขาไปเราไม่เสียหายตรงไหนแล้วเราทำถูกแล้วนี่เขาต่างหากที่เขาไม่เชื่อฟังเรางั้นถ้าเราเป็นอาจารย์เราก็อย่าไปสอนเขาถ้าเด็กดื้อก็อย่าไปสอนให้เสียเวลาทน้ชแล้วอย่างถ้าหากเป็นเขาเป็นผู้กระทาเขาจะติดกรรมหรือเปล่าคะ เขาทําอะไรวะเขาต้องเขาก็ต้องติดกรรมมันเขาไปเขาเป็นคนทําแต่เขาบริสุทธิ์ใจนะคะไม่บริสุทธิ์ใจจะบริสุทธิ์ <c oughs> มันมันถ้าบริสุทธิ์มันก็ไม่ทำํำสิ <c oughs> ที่มันทำว่ามันมีกิมันเกิดกา ร, รมอารมณ์ขึ้นมามันถึงไปทําในลักษณะที่เขาไม่ได้เกิดกา ร, รมอารมณ์จริงแต่ว่าเรือลักษณะว่าจริงแต่ต้องโดนตัวกัน ย, ยังไม่ผิดศีลแปดหรอกศีลแปดห้ามไม่ให้หลับนอนกัน ที่เขาห้ามไม่ให้แตะต้องตัวกันและอยู่ใกล้กันสองต่อสองเพราะกลัวเดี๋ยวเกิดไฟลุกแล้วมันดับไม่ทัน <c oughs> เข้าใจไหมแต่ถ้ายังไม่เป็นร่วมหลับนอนกันยังไม่เสพการามกันยังไม่ถือศีล ว, ว่าถือยังไม่ถือว่าผิดศีลแปดแปลว่าเมื่อเขาบริสุทธิ์ใจแล้วอต่อให้อหากมีคนเข้าใจผิดยั ง, ยงประเด็นสําคัญก็คือหากเรารู้อยู่แล้วว่าจะมีคนเข้าใจผิดแต่เราก็ทํา แล้วเราตัวเราเองเนี่ยจะผิดกรรมหรือเปล่าคเราก็เจดกรรมนิสัยเราก็เราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้นเองเราถือว่าเราบริสุทธ์เราก็เลยไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของเราว่ามันอาจจะมองแล้วมันไม่เหมาะสมมันเขาก็จะทำไปตามนิสัยของเขาไปแต่ว่าเขาก็จะมีติดบ้างเขาจะติดนิสัยนี้ไปถือศีลไปก็จะถือแบบนี้ไป แต่เนี่ถือแบบที่เราสอนให้เขาทาเขาก็ไม่ถือก็าเถ็นว่าเขา<ม>เขาเขาสาอาดบ ร, ริสุทธิ์แต่มันก็อาจจะทําให้เขาเป็นที่รังเกียจของผู้ที่ถือสีงแปดผู้อื่นก็ได้เขาอาจจะอาจจะไม่อยากให้ร่วมกลุ่มก็ได้ก็เช่นเดียวกันกับพระอาจารย์ที่ได้พูดพระปราชญ์ที่ไม่สุภาพรู้ท่องรูจะถูกเข้าใจผิดบ้างบางเข้าใจผิดบ้างไม่่าเข้าใจถูกแปลว่าท่านก็ต้องมีติดบ้างใช่ไหมจะค่ะ คือการกระทาของท่านเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมของท่านแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยของท่านไปท่านก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนคนอื่นนี่ก็อยู่ที่ว่าเขาเข้าใจท่านหรือไม่เข้าใจท่านถ้าเขาเข้าใจท่านว่าท่านบดยสุดท่านไม่มีอะไรเขาก็ยังเคารพศรัทธานับถือท่านเชื่อฟังท่านอยู่ ส่นคนที่ไม่เข้าใจท่านเขาก็อาจจะคิดว่าท่านไม่เหมาะสมไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเขาก็ไม่รับถือท่านทเขาก็ไม่ไปไปถือท่านเป็นอาจารย์อะไรแบบนี้จะทำให้ศาสนาเสื่อมลงไหมเจ้าค่ะมันก็อยู่ที่ว่าส่วนอื่นของท่านเนี่ยมันมันมันมันมีประโยชน์หรือเปล่าเ อ, อ๋อส่วนนี้เราถือว่ามันเหมือนกับเป็นเปลือกอะ่ะ แต่ถ้าส่วนเนื้อเนี่ยมันยังดีอยู่เนี้ยแต่ว่าเปลือกมันจะช้ำบ้างก็ไม่เป็นไรแต่คนที่อยากกินเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยคนที่จะซื้อผลไม้เหล่านี้อาจจะไม่ยับไม่อยากจะซื้อเพราะแนเปลือกมันช้ำมันเน่าก็ไม่เอาแต่คนที่เขารู้ว่า เ, ออเปลือกไม่เป็นไรช้ำแต่เปลือกแต่เนื้อยังดีอยู่เนี่ยเขาก็เขาก็ไม่สนใจเปลือกก็อาจจะทำให้การเผยแผร่าศาสนาไม่ไม่กว้างใหญ่ไพศาลเท่ากับ ผู้ที่สวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในถ้าเปลือกก็สวยเนื้อก็อร่อยเี้มันก็ขายดิบขายดีใช่ไหมนั่นเองพี่อาจารย์าจะยังคงหัวข้ออ่าว่มามที่นี้จะเป็นหัวข้อของผู้ที่อ่าปัฒนาจะจะปฏิบัติแต่ว่ายังคงจะต้องอ่ามีครอบครัวแต่สามารถคลองอ ไม่เลนไม่ใช่บวชใจไม่ใช่โดยที่ไม่มีอะไรกันนะคะอเคยถือถือสินพรหมจาร์อยู่ร่วมกันพูดง่ายๆแต่ไม่ไม่ร่วมเสกกรรมกันแยกข้องนอนกันได้อยู่ที่อยู่ที่เราตัดความอยากทั้งหมดได้หรือเปล่าแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องบวชก็บวชในใจไงบวชในใจเราได้ยินว่าการบวชในใจนี่ยากกว่ากัน ใช่เพราะคิดข้างนอกมันง่ายไงทุกนุ่งขาวของขาวแล้วก็ไปกล่าวเขาวาสิ้นแปดมันก็ได้แล้วมันก็บวดได้แล้วแต่ใจมันยังคึกคักอยู่คืออันนี้เป็นเป็นเป็นตัวเองค่ะอ่หนูกําลังดูในการการอ่าฝึกฝนของตัวเองแต่หนูกําลังจะต้องแต่งงาน ม, มันอยู่ทางแยกระหว่างหนูจะอยู่กับอย่างนั้นยังไง Mm hmm. หนูให้ให้กำหนดเวลาของตัวเองเอาไว้แต่หนูก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรแน่นอน mm hmm. แต่ทีเนี้ยอ่ะคนของเราก็จะให้ทิ้งก็อย่างทิ้งไม่ได้เพราะมีสัจจะ mm hmm. ซึ่งหนูต้องการหนูก็ต้องรักษาสัจจะ mm hmm. เมื่อถึงเวลาเขายอมรับได้ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะปล่อยให้หนูได้ปฏิบัติของหนู mm hmm. แต่เขาก็ขอของเขา mm hmm. ซึ่งในช่วงต้องหนึ่ง mm hmm. ทีนี้หนูจะวางจิตของหนูยังไงในเมื่อใจหนูอะจะไปแล้ว แต่อกายหนูจะต้องอยู่ทำหน้าที่หนูจะวางยังไงมันถึงจะไปได้พร้มพรอมๆกันไม่ได้นอนกับเขาก็พูดโทรพดโทไป<笑><笑>เล้วคิดเขาาเป็นราบสบไปแลืว <laughs> เราทำเองนี่นนยใจมันย่ยเฉยได้ส่วนส่วนเขาจะทำร่างกายแล้วไงก็ปล่อยว่าทำไปก็ใจลราบ่อยสุด <laughs> <laughs> ไงใจเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปพิจารณาสูาพา่พักไปออ ส่วนขาจะทำเรื่กาใหญ่ไนก็ถือว่าถูกเข้าปั้ไปก็แล้วกันหนูเห็นความสัต์แย้งของตัวเองก็เลยคิดว่าใกล้กับหนดเวลาจะแต่งงานแล้วตีโค้งออกเลยตัวเยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วพอถึงเวลาแล้วเปลี่ยนหัวเรือเลยกลับแล้วไม่เอาและอะไรเงี้ย<อ>มันจะจะกลายเป็นผิดจากจล้วนก็เลยไม่อยากจะมีข้อผิดเหมืพอนกับว่า คิดว่าใช้วิบากกรรมเราไปก่อนก็แ <crap> ล <look. c oughs> <c oughs> ้วกันในเมื่อในเมื่อเราถลำไปรับปากเขาแล้วอะไรลงไปแล้วถ้าเราคิดว่าไม่อยากจะทำให้บัวช้าน้ำขุ่นก็เอาลงเลือร่วมหอไปกันก่อนแต่จนกว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวก็แยกทางกันเองวิธีจะทำให้เขาเบื่อง่ายๆก็คือหยาบน้าบ่อย ค <laughs> ือใจดมน้ำ <laughs> าูกขอบเต็มหัว อ, อ, อันนี้ก็มาแต่ตัวลูกเองก็คือมาตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงทุกวันเนี้ย่าเริ่มต้นมากกว่าอ่ามันจะมีข้อหนูจะเห็นนะข้อเสียกับข้อดีไ ป, ไปพร้อมๆกันบางครั้งก็ต้องตีกันเลยอ่าบางครั้งอ่า สมองกับอ่าเหมือนทางนี้บอกอย่างนี้อีกทางนี้บอกอย่างนี้ทางนี้บอกเฮ้ยนี่มองว่ากูว่ะเฮ้ยโกรธอ่ะเฮ้ยไม่ดีว่ะกูอิจฉากูเกลียดชงังจนอีกทางนี้จะบอกว่าเฮ้ i, ยอย่าเกียรติเป็นไม้ทุกนะเว้ยไอยนี่ไงนี้ไปอืแล้วมันตีกันทําให้เกิดอารมณ์ที่มันอแล้วสุดท้ายก็เราก็มาตัดสินใจด้วยตัวเราเองเราตัดสินใจอืมอ่าหนูเริ่มผ่านม า, มาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ เหมือนอย่างนั้นมันจะหายไปแต่มันยังมีตรงที่ว่าบางครั้งมันจะมีอารมณ์มาเหมือนกับว่าไม่ใช่เราเป็นอารมณ์ที่อย่างสมมุติว่าเหมือนมีใครบางคนไม่ชมเรา ม, มีความน้อยใจปุ๊บแต่หนูมองเห็นว่าเขาจะไป น, น้อยใจทําไมหนูไม่ได้ตามอารมณ์แต่มันยังคงมีมีความรู้สึกยอย่างนั้นปุ๊บ ทำไมเขาไม่ถูกพูดถึงเราบ้างแต่ว่าตัวหนูกลับไปมองอีกตัวนึงกลับไปมองว่าเหมือนเหมือนแค่นิดเดียวอะหลู่ตาแต่เรากลับยังมองเห็นอยู่แล mm. ้วหนูก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยจะไปน้อยใจทําไมใครจะชมไม่ชมก็ช่างมันสิแล้วหนูก็เดินหลูต่อไปถ้าอย่างเนี้ยทำยังไงมันจะเอาเอ๊นื้น้อยเนี่ยออกอะหลู่ตาก็ต้องใช้ปัญญาว่าเออมันเป็นปความอยากของเราไง อย่างมันขึ้นมาแบบกระทำฐานแบบเราไม่ได้เ ร, ไไดเราไม่ได้พิจนารณาจากจากสมัยใช่มันฟังอยู่ในใจเราไงตั้หาความอยากความอยากให้เขาชมเรานี่มันยังปลุกฝังอยู่วิธีจะแก้ต้องแก้ด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นสิ่งที่เราไปหวังไม่ได้ไปควบคุมบังคับไม่ได้บางทีเขาก็จะเขาอยากจะชมเราเขาก็ชมเราเขาไม่อยากจะชมเราเขาก็ไม่ชมเราแต่ถ้าเราเราเราเราเราเรารู้ผ่านมาแล้ว แต่ว่าแล้วเราก็ไม่ได้ทําตามมันเราเราไม่ได้มีอารมณ์ตามเขาออแต่แต่หนูอยากหนูไม่อยากให้มันมีกระดุ้งขึ้นมาก็ น, นั่นแหละก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจไงว่าอย่าไปหวังอะไรจากเขาเนี่ยเพราะเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้ถ้าเราไม่หวังแล้วต่อไปเราก็จะไม่สะดุง้งถ้าเขาไม่พูดถึงเราเพรารู้สึกว่านิดเดียวมั น, มนก็มีผลสภาพจิตใจเอเราต้องเห็นว่า สิ่งที่เราอยากได้นี่มันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะไปควบคุมบังคับได้ถ้าไปอยากก็จะเสียใจมันจะขึ้นมางั้นอย่าไปอยากมันดีกว่ามันก็จะสอนให้เลิกความอยากนี้ได้ว่าสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจชูไม่เอามันเลยดีกว่า แปลว่าต่อให้เราปฏิบัติกลัดมันจุ่มแม้แต่เหลือแค่นิดเดียวก็ยังมไม่ม ด, ไดีที่สุดเราต้องเห็นว่ามันมันอยากไปอยากมันได้มันเน่ยดีที่สุดเพราะว่าถ้าอยากแล้วมันเบางทีก็ได้ท่ายก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจถ้าไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปอยากมันเลยอย่าไปหวังเลยจากใครเลยแ ต, แต่ที่หนูทําไม่ได้เพราะหนูยังไม่ฝึกสมาธิหนูต้องมีสมาธิ แล้วเวลาจิตสงบนี่ใจของหนูจะอิ่มจะเฉยจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆจากคนอื่นหมายความว่ายังสู้กับใจตัวเองไม่ได้ใช่ัหมคะยังไม่สามารถที่จะหยุดความอยากด้วยสมาธิได้อยู่แ ต, แต่ว่าอ่าจริงๆจริงๆแล้วอะอาตามการใช้ชีวิตมันก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากใคร แต่พอพบพูดนมาปุ๊บมันก็อาจจะจริงที่จิตใต้สำเนอื่องอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเราที่ที่เราเป็นเราอยู่เออมันเหมือนจะเป็นจิตใต้สำเนึกของเราที่มันฝังเอาไว้แล้วเราไม่รู้ทันมันพอมันจะดุ้งขึ้นมาแต่ถือว่าดีหรือเปล่าจะเจ้าค้าที่เราสามารถรู้ทันแล้วเราไม่ตามมันดีสิเพราะเราอย่าไปทําตามความอยากพอดีที่สอนทั้งหมดนี้ก็เพให้หยุดความอยากต่างๆที่จะหยุดได้ไม่ได้อยู่ที่กําลังของเรา เรานั่งสมาธิได้ทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งได้เราจะมีกําลังหยุดความอยากได้ทุกทุกชนิดเลยในตัวที่โผล่อย่างที่เราที่ามาันอยู่ลืกๆเนี่ยกาลังของเราไม่พอเข้าไปไม่ถึงตัวนี้เราต้องดึงจิตให้เข้าข้างในให้เข้าไปในสมาธิแปลว่ากรรมฐานก็ช่วยในการเคลียร์จิตพวกนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อตัวสําคัญเลยแหละถ้าไม่มีกรรมฐานไม่มีความสงบไม่ไม่มีวันที่จะเคลียร์พวกนี้ได้ อย่างเช่นพระอารหันต์ท่านท่านมีอารมณ์ <c oughs> อื่นๆมากระทบบ้างไหมคะอารมณ์โลภโกรดหลงไม่มีแต่อารมณ์ทางร่างกายยังมีอยู่ความรู้สึกทางร่างกายยังมีอยู่พ <c oughs> ระพุทธเจ้าหิวน้ำแต่ใจไม่ได้ไปหิวกับร่างกายแต่ก็ต้องหาน้ำมาให้ร่างกายดื่มพระพุทธเจ้าก็เมื่อยเวลาไม่สบายเป็นไข้ก็เจ็บแต่ใจไม่ทุกข์กับมัน ใจไม่มีอารมณ์กับร่างกายร่างกายจะเจ็บจะอะไรใจเฉยเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เจ็บแล้วถ้ามีคนมาด่าแรงๆอะคะ่ะนั่นเหมือนกันก็เฉยเฉยได้วินาทีแรกก็เฉยแล้วะคะ่ะแต่ตั้งแต่จะอ้าปากขึ้นมาเฉยก่อนที่มันจะอ้าปากแล้ว <c oughs> เพราะไม่มีไม่ได้หวังอะไรจากคนที่จะพูดอยู่แล้วเพราะงั้น <c oughs> จะพูดอะไรมาก็ไม่มีความหมาย <c oughs> ฟังด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นเอง ฟังก็ฟังได้เห็นได้ผลเนี่ยไม่มีอารมณ์อยากเนี่ยไม่ได้อยากให้เขาชมไม่ได้อยากให้เขาไม่ด่าวันเขาจะชมหรือไม่ชมเขาจะด่าไม่ด่าก็เลยไม่มีปัญหาก็จะหักหยุดดีๆเราเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทําอะไรผิดแล้วอยู่ๆเขามาด่าเรากระทันหันอย่างรุนแรอแล้วถ้าจะเราเราจะเมียวยามานิดนึง งย ง, งว่าไม่ผ่นใช่ไหม่มผ่านต้องไม่มีอารมณ์เลยต้องไม่มีอารมณ์ต้องรู้ทันว่าเสียงเป็นอันเนี้ยเสียงเป็นเหมือนเสียงนกร้องเป็นเสียงอย่างเดียวไม่ได้มีความหมายอะไรกับใจเราใจเรายังไปให้ความหมายกับเสียงอยู่เสียงชมก็ดีใจเสียงด่าก็เสียใจเราต้องตัดตัวนี้ไปให้ ด, ด้วยต้องตัดด้วยสมาธิกับปัญญาสองตัวถึงจะตัดได้ ดันต้องถึงสอนให้นั่งสมาธิทำใจให้รวมให้ได้ก่อนถ้าใจรวมแล้วใจจะมีความเฉยแล้วสามารถใช้ปัญญาสอนใจว่าให้เฉยกับสิ่งต่างๆได้ตอนนี้หนูปฏิบัติแบบไม่มีตำราเขาะนะ้าใจไหมหนูปฏิบัติแบบมวยวัดพวก ง, ง่ายๆสู้กับมัน <c oughs> ดูสู่กับมันในใจหนูเป็นปัญหาของเรื่องหนูไม่ชอบอา่านหนังสืออมันต้องอ่านเพราะวอันนี้มวยแบบนี้ต้องมีครูสอนถึงจะเอาชนะได้นอกจากเราเป็นพระพุทธเจ้าเท่านาั้นเนี่ยที่จะสอนตัวเองได้พระพุทธเจ้าวะเป็นมวยวัดเนี่ยเพราะไม่มีครูสอนหเรื่องต้นจากมามันเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นอแล้วก็ ต่อมาต่อมาก็อยากเรียนรู้อยากอยากรู้มากกว่านี้อแล้วก็หนูก็เลยอยากได้ผู้ที่มาอยู่ในจริตหนู<อ>มีแบบในจริตหนูแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่อยู่ในจริตหนูส่วนใหญ่แล้วจะแตกต่างไปทีเนี้ยพออยู่ในจริตที่หนูเห็นปุ๊บก็มีช่องโหว่หนูก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้หนูจะอยู่ยังไงหนูจะไปเรียนรู้จากใคร<อ>พราะปกติมันอย่างที่หนูตาพูดที่หนูเรียนรู้โดยไม่มีตําราหนู หนูเรียนรนู้ด้วยด้วยธรรมชาติที่มีูรอบขัานี้แต่ในบางครั้งหนูก็เข้าใจว่ามันต้องมีตำราวไว้สอนอยู่บ้างเพียงหนูจะไปเรียนที่ไหนก็หนูมาถูกทางแล้ว เ, เพียงแต่พอหนูเจอไอ้ตัวนะั้นหนูไม่รู้จักวิธีตัดมันท่านเองวิธีก็คือว่าไอ้ตัวที่มันโผล่ขึ้นมาตัวนี้มันมันโผล่มาเพราะความอยากของหนูเอง ว่าจากเมื่อก่อนอ่าที่หนูเล่าให้ฟังก็คือเมื่อก่อนมันเท่ากับห้าสิบห้าสิบแล้วหนู่สู้กับมันมาตลอดอบางทีแทบยาติดบ้าตายมันมาตีกับ ต, ตัวหน้ากัทําไมอแอ่าแล้ ว, ลวบางทีก็ต้องทะเลาะกันกับตัวเองอย่างเงี้ยจนแต่หนูก็เอาชนะมันได้จากที่ห้าสิบมันก็เหลือแค่ต่ออีกหนึ่งแต่ทีเนี้ยหนูไม่ชอบเลยที่มันเหลือต่ออีกหนึ่เพราะบางทีเราเราเร า, เราทําอะไรเพลออย่างเงี้ย พอมันพอมีอะไรบากระทบมันก็ดุ้งมาเงี้ยแล้วหนูรู้ทันอ่ะพอรู้ทันหนูก็ว่าหนูก็ตําหนิตัวเองทันทีขึ้นมาว่าอย่างเงี้ยไม่ดีนะนต้องเอาออกให้หมดอ่ะออแต่ว่าวิธีการเราออกไม่ได้เสี่ยวหรือเราหนูทําอย่างที่หนูทํามาที่จัดห้าสิบเดือนอ น, อน้อยน้อยแต่ก็ต้องหมั่นทําเพิ่มกว่าเดิมมาทางเดิมมันถูกแล้วใช่ไหมค ะ, ะถูกแล้วเพียงแต่ว่าหนูต้อง ถามตัวเองว่ามันทําไมยังไม่ตายทําไมยังต้องโผล่ขึ้นมาถามตัวเองดูต้องหาคําตอบอยู่ถ้าไม่ใช้ตำราก็ต้องทดสอบถามตัวเองว่าทําไมมันถึงต้องโผล่ขึ้นมาเพราะอะไรมันถึงยเพราะทําไมเขาพูดอย่างนี้เราถึงต้องเป็นอย่างนี้เขาพูดอย่างนั้นทําไมเราถึงไม่เป็นอย่างนี้เราไล่ดูหาสาเหตุดูหนูว่ามันก็คือความอยากนั่นแหละยิงตะบอกตรงๆหนูก็ไม่ฟัง ต้องให้หนูไปหาเอาเองให้เจอเองเหมือนจะไเป็นสันทิฏฐิโก้อันนี้บอกก็บอกให้รู้ว่าถ้ารู้ว่าเป็นความอยากก็ลองลองค้นดูว่าใช่จริงไหมถ้าจริงแล้วมันก็ตัดได้มันก็ต่อไปมันก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาแต่มันก็เหมือนดอกอีกตัวครึ่งหนึ่งของหนูเองก็ไม่ได้อยากอะไรแต่อีกตัวหนึ่งมันก็อยากแต่เราองก็ไม่ได้อยากก็คือมันมตีกันอย่างเงี้ยของาเนี่ยแหละมันยังอยากอยู่ไงหนูอยากจะไม่อยาก นั่นลความอยากไม่อยากก็ไม่ได้เหมือนกันต้องเฉยเฉยเชอเหมือนกับว่าควอยากคนเลือน้อยแต่ว่าแต่ว่าเราไม่อยากให้มันมีเลยอย่างเงี้ยจะไปแล้วเหรอถั no ่วอกคจะถายของเดี and and ๋ยวขาัพักมาเนี i i ๋ยเข้ามาเนี่ยักหนึ่งเดี๋ยว้เขาจะถอยของัหาอหนูก็คือหนูยัง เอาเข้าเอาใจเข้าเกียวว่างไม่ถึงต้องเอาใจเข้าเกียวว่างก่อนใจหนตอนนี้มันจะเดินหน้าถอยหลังอย่างเดียวจะรักหรือจะชังแต่มันจะเฉยไม่เป็นต้องหัดทาสมาธิให้มันเฉยแล้วหนูจะรู้ว่าคาตอบอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงเฉยอยู่ตรงเกียวว่างมีหนังสือธรรมะนะถ้าต้องการก็หยิบไปอ่านได้ซีดีมนจากที่ไหน ที่กรุงเทพนะทเระ อ, อ๋ อ, อ, อที่วัดป่าบานตาเนี่ยานานแล้วเลยนะเพราะท่านเสียไปหลายปีแล้วมีหนังสือของท่านอยู่ตรงนี้แจกนะหยิบได้ถามไปตอบมาหนังสืออื่นก็อ่านหยิบได้อันนั้นของเราเอาไปอย่างละอันเลย มีตำราอะไรเหเปล่ามีอะไรอยากจะถามหรือเปล่ามาชมบาร ม, มีก็ไม่มีอะไรมีตาราองเก่าอยู่หลังนี้หลวงตาท่านเคยมานอนบนสารานี่นะท่า น, นเคยมาเยี่ยมท่านบอกว่านอนตรงนี้สบายดีไม่ต้องไปจัดกุฏิท่านเรียบง่ายอยู่ง่าย เ, เนี่ยเดือนมกราสามสิบมกราเราก็อยู่ที่นั่นมาเก้าพรรษาอย่้อยู่ท่า น, นมาฟรรษาหนึ่งถึพรรษาเก้าตั้งแต่ออกมาก็เลยไม่เคยกลับไปเลยเมื่อวานนี้เมื่อสวันก็ค่อยกลับเข้าไปวันนี้ไปเห็น y o u t u ว e ว่ามัานตายเข้ากันเลยไปดูเขาถ่ายบิณฑบาตพระถังอะไรต่าง เมื่อท่านไปก็ไม่เคยอยากไปเลยคิดถึง อ, อย่าไปดีกว่าก็ <c oughs> ไปดูใน y o u t u ู e ได้พอดีไปเจอเข้าเป็นของพระอาจารย์มาตินรู้จักพระอาจารย์มาตินแนละ้วท่านเป็นชาวเยอรมันจากท่า น, นอยู่ทำไมไม่ใช่คำว่าทำไมไม่ผิดคือตอนที่ท่านอยู่ท่านจะรับถวายโคลไม ไม่มีคนบะเขาไม่มีบารมีที่จะรับไปเลี้ยงต่อได้ท่านมีท่านมีบารมีท่านสามารถที่จะเลี้ยงเขาได้แต่พระองค์อื่นนี่เขาไม่มีญาติโยมมาทำบุญไม่มีอยากไปถวายอ่แต่ว่าเขาไม่รับเขารับไม่ไหวเขาไม่รู้จะไปทำอะไรเขาเลี้ยงไม่ไหวหลวงตาแจกชาวบ้านนะอไม่มีใครสืบต่อเลยเรื่องนี้เสียใจเหมือนกันงานนี้ของหลวงตาโปรดบ้านมากเลย แ้าท่านปล่อยสัตว์อยู่เยอยทั้นไปซื้อปลามาปล่อยแล้วท่านก็จะไปแจกชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ไม่ฆ่าจะปฏิญาไม่เกิเพื่อมีใครทำต่อก็ดีก็ท่านท่านอาจารย์ช่วยเราเองจะจะเลี้ยงตัวเราเองยังไม่มีใ้ครช่วยเสนอทางที่ได้นะ ถ้าเขาไม่มาถามเราเราคงจะไปบอกเขาไม่ได้หรอกเอาเนี่ะเราก็ไปถวายที่อื่นก็ได้ทาบุญอย่างอื่นไปก็ได้ซื้อปลามาปล่อยแทนก็ได้ซื้อปลาไปปล่อยตามแม่น้ำอะไรนี่ก็ได้ ก็เหมือนกันเป็นการถ่ายชีวิตเหมือนกันโอเคนะแค่นี้ก่อนเ่ะมาต่อจําได้ไม่มาขาดหยุดไปตรงไหนจะเริ่มประเด็นใหม่แล้วไม่ใช่ไหไม่มีใครอยากทำก็ปัญหาก็อยู่ที่ความอยากของเราเนี่ยแล้วมันยังหยุดไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทําใจให้ เดี๋ยวกันเดี๋ยวคันต้องทำใจให้ต้องมีสมาธิแล้วมันถึงจะหยุดความอยากได้บางทีมันเป็นนิสัยของหนูด้วยอะหนูว่าหนูก็รู้ดีว่าทำได้อยู่หรอกแต่ยังไม่อยากทำากแล้วมันมหลอกเรามั้ยกิเล่มันหลอกเรานิสัยมันเป็นประมาณมันจูเรามารู้กีก่ชาติแล้วเนี่ยเราเรประมาณว่า รู้น่ะว่ารู้ก็ต้องทำแบบนั้นแต่ยังไม่อยากทำตอนเนี้ยยังไม่อยากวางตอนเนี้ยรู้อยู่ว่าทำได้แต่ยังไม่อยากทำอยากวางอนี้ไปก่อ น, นมันก็แลยไม่ทำมาหลายชาตินั้นเนี่ย <laughs> แล้วก็มีคุณแม่คนนึงบอกว่าอย่าลืมนะหนูก็หนูก็ลืมไปจริงๆอย่าลืมนะจริงอยู่ตั้งใจดีรู้อยู่ว่าทำได้แต่ตายมันไม่ได้บอกว่าจะตายเมื่อไหร่นะใช่หนูกเลยจุกจุกขึ้นเลยเดียวูก็เลยเริ่มแล้ว ไม่เรามันทำเลยแล้วให้พี่ฟังน้าทำนะไม่ได้อ่คำถามไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะอถาามว่าขี่บ้านขี่เรือนพระคมเจ้าที่อ่าแล้ว จะไม่ไม่ไม่ตั้งสารควบคุมได้ไหมคะได้ได้มาปฏิบัติแล้วดกั่มันเป็นความเชื่อท่านเองมันไม่มีมันไม่เป็นความจริงคิดแล้วมันขัดกัว่าหมอว่ามันไม่มีอะไรธรรมะคือธรรมชาติมันไม่มีอะไรมันเป็นสิ่งสมมติขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วจะไม่ไม่ไม่ทำไม่ต้องทำเ่ยมันม่ชีวิตตัวเราค่ะวันที่สร้างอาคารใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องตั้ได้ใช่ไมคะไม่ต้องสั้งอะไรเพราะว่า มาปฏิบ uh ัต huh. mm ิธรรมแล้วอ uh ่ะ huh. ค uh ือ huh. มันไม่มีอะไรเลยมันว yeah. ่างทุกอย่างบนโลกนี้มันว่าอนั่นแหละค่ะนก็เลย่มันชัดกันนะ่ะน้ดผคุนี้พูอาเราฟังมาพูดมาทำมาสองก็พอค่ะค่ะแต่หนูจะมีพระพุทธรูปค่ะให้กลบไหว้ได้ได้ได้ใช่ไหมคะได้ไม่มีก็ได้ไม่มีเลยก็ได้ค่ะค่ะมีก็ได้ไม่อ่า ผ้าจริงอยู่ข้างในถ้าเขาถึงพ้าจริงแล้วผ้านอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้เห็น่าาพไม่รู้ว่าผ้าจริงอยู่ที่ไหนเขาเลยพูดไปตามความรู้สึกของเขาก็ไม่ต้องไปเถียงกันให้เสียเวลาเถียงกับคนตาบอดเถียงไปก็เหนื่อยกว่ามีอะไรไหม ว uh, <c oughs> ่ามาเลยมาไกลทีนี้หนูมีหัวข้อใหม่ที่หนูเห็นอยู่ในในสังคมที่นหนูเห็นเห็นเลยในเรื่องของสิ่งมองไม่เห็นกับในเรื่องของกายาหลายทําสอนหลายบอกว่าเรื่องเรื่องเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องเทพหรือเรื่องอะไรต่างๆไม่มีแล้วก็ มันไม่มีจริงจริงอย่างนั้นอย่างนี้งมงายอืแต่มันงงายจริงเหรอคะอ่าแล้วพระพุทธเจ้าแสดงทําให้เทวดาไม่ใช่เลยนะเนี่ยรู้จักพุทธกิจไหมพุทธกิจห้าของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทํากิจห้าประการตอนบ่ายสอนญาติโยมตอนค่ำสอนพระเนรตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกบิณฑบาตเร่งยานดูว่าจะไปโปรดใครก่อน แล้วก็ออกบินต า, าี่ยมีทำกิจวัตรอยู่ห้าข้อด้วยกันทุกวันเนี่ยพระพุทธเจ้าแม่ของพระพุทธเจ้าก็เป็นเทวดาไม่ใช่เนี่ยแล้ที่ท่านไปโปรดท่านขึ้นไปสวรรค์ไปโปรดพุทธมารดาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยแม่ท่านตายไปตั้งแต่เจ็ดวันหลังจากที่เข้าพระพุทธเจ้าออกมาพอพระพุทธเจ้าตัดสรู้ปั๊บก็มียานมีกําลังที่จะหาค้นหา หาเทวดาหากายทิพย์ต่างๆได้ก็ค้นหาแม่ได้อย่างพวกที่มีพฤติกรรมที่ผิดแปลกจากผู้อื่นอย่างบางทีก็มึนหัวอย่างเพื่อนของหมวบาง <c oughs> กรณีก็เป็นหมว ก, กันน็อกบ้าง <c oughs> อะไรบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายที่เขาเรามองว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคอยควบคุม <c oughs> หรืออะไรกับเวลาที่เราทำผิดหรืออะไรนี้หรือเปล่าคะไม่มีหรอก สิ่งที่เป็นควบคุมเราก็คือกรรมเหล่านี้วิบากทํากรรมอันใดว่าแล้วมันก็จะทําให้เราเป็นอะไรต่างๆไปโครคภัยไข้เจ็บบ้าง พ, พิการพิการบ้างอายุสั้นบ้างแล้วจะหากว่าไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วแค่เดินฉากอะไรสักอย่างก็อยู่แบบวุ้บขึ้นมาเหมือนหมอ ก, กนกนี้เหรอคะอ๋อบางทีมันเรื่องของร่างกายก็ได้ร่างกายบางทีมันก็เป็นอะไรได้เหมือนกันมันมีหลายหลายภัหยหลายปัจจัยด้วยกันไม่ใช่เป็นเรื่อง<ม>เรื่องใดเรื่องหนึ่ง บางทีเลือดลมไม่ดีหัวใจวายมันก็ตายอันนี้ก็เรื่องของร่างกายไปเรื่องของทักถ้าเรื่องของใจบางทีใจเครียดก็ใจก็ไปกดดันทำให้ร่างกายเครียดทำให้ช็อกตายก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจไปทำให้ร่างกายตายก็มีแต่ก็มีในแบบที่ว่าบางคนเขาบอกว่าเป็นพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องไม่ไม่มีไม่ไมี เป็นเรื่องของวิบากทั้งหมดที่เราทำมาเรื่องของกรรมทำดีทำชั่วเนี่ยมันจะทำส่งผลให้ใจของเราดีไม่ดีแล้วก็ไปกระทบกระเทือนกับร่างกายของเราเอีกทอดหนึ่งแต่ถ้าในสภาวันนั้นเราเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้คิดอะไรผิดแต่เอามันเป็นของเก่า ม, มันไม่ใช่เป็นของที่ปัจจุบันเป็นของเก่าอของที่ทำมาอาจจะหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้ยังไม่ได้ส่งส่งผล หนูจะมีความคิดที่แตกต่างจากหลายคนแล้วนกะ็บางคนมาขัดยาขัดแย้งในเรื่องของเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเรื่องสิ่งนั่งสิ่ น, นี้ <c oughs> ซึ่งหลายคนบอกว่ามันให้หนูทิ้ง <c oughs> ให้หนูทิ้งสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ <c oughs> ไม่มีใครมารู้ว่าเราใช้ชีวิตยังไงหนูเป็นมวยวัด <c oughs> แต่ใครสอนหนู <c oughs> ก็คือคนไม่ใช่คนสอนน <c oughs> ี่ก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็น เขาจะให้หนูทิ้งแต่หนูพูดขึ้นมาว่าถ้าทิ้งเท่ากับนี่หละคุณอต่อให้หนูไม่เห็นเป็นเนื้อเป็นตัวแต่ก็สร้าง ห, หนูเป็นคนดีคิดดีได้หนูเลือกที่จะไม่ทิ้งหนูยังงม ง, งายนะคะนุณตาไม่งม ง, ง, งายอันไหนเป็นคนเป็นประโยชน์กับเราเราก็ใช้ไป <c oughs> ใช้ปัญญาว่าอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปถ้ามันทําให้เราไม่ดีทําให้เราเสียคนเราก็ทิ้งไป ถ้ามันบอกให้เราไปกินเหล้าไปเที่ยวไปเล่นนี้ทิ้งมันไปเลยเพราะทานั้นมันทําให้เราเสียคนใช่ไหมแต่ถ้ามันสอนให้เราทําบุญรักษาศีลทําความดีต่างๆก็ไปทิ้งมันทําไมของดีอย่าไปทิ้งของไม่ดีก็ทิ้งไปใจเรามันมีสองอย่างมีทั้งของดีและของไม่ดีหน้าที่ของเราก็คือมาเลือกแยกแยะอันว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนไม่ดีก็อย่าไปทํามันทิ้งมันไป อันไหนดีเราก็ทําต่อไปแล้วทําให้มากขึ้นไปจะหนูค ล, กกลัวเดีล้วหนู ก, กลับไปแล้วหนูจะอีแบบแต่ว่าหนูคิดว่าอ่าคำถามเป็นหลักๆที่หนูอยากจะรู้ก็หมดแล้วหนูก็อยากขอคําแนะนําจากหลวงตาเพื่อชี้ทางให้หนูต่อเพราะว่าหนึ่งก็น่าจะต้องแต่งงานแยกสังขารจิตตัวเองอีกอมันมันเป็นจิตที่ แยกกันมากเลยหนูตาเหมือนกับหนูพร้อมที่หนูจะไปบวชแต่ว่าเพราะว่าหนูมองว่าคนที่ก้าวขาไปบวชอะ่ะก็ไม่ได้พร้อมทั้งหมดพอาะเขาต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอแต่ตัวหนูเหมือนใจหนูพร้อมที่อยากจะไปบวชแต่สัจจะที่หนูจะต้องทําอแล้วก็ไหนหนูก็เลยว่าหนูจะเดินไปยังไงเพื่อไม่ให้มันหงายหรืออยู่เที่ยวที่เขาเรียกว่าเหยียบแล้วสองแครอะไรเนี่ย ก็ต้องถามตัวเองว่าอันทางไหนดีกว่ากันต้องเลือกเหมือนเราไปซื้อของเราก็ต้องเลือกกระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้อันไหนดีกว่ากันแล้วก็บวกล บ, บคูนหารดูแล้วอะอันนี้ดีก็เอาอันนี้ไปแต่หนูคิดว่าถ้าหากหนูทําได้มันน่าจะเป็นอตัวอย่างให้กับคนอื่นๆที่ยังต้องการอยู่ทางโลกอยู่แต่สามารถอยู่ได้อย่างาไม่ไมอหนูพนเออ อ, อยู่ได้อย่างไม่ต้องทุกทรมาน ก, กันนะ หากเราทำได้อาร น, นั้นก็หากทาได้เค่ะจะต้องพิสูจน์ดูเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหนูอยากจะลองก้าวไปในทางเส้นใหม่ที่ที่หลายคนยังไม่เคยไป อ, อแต่หนูก็<ด>ว่มันคู้นย่าทางเดียวกันหนลวงาแต่ว่ามันคนละวิธีหนูก็อยากจะลองดูได้ลองดูถ้าไม่ถูกไม่ดีก็ไปทางกัน เขาคําชี้แน่จากหลวงตาถ้าจะให้ชั่อเชืก็ไปทางพระสเจ่ะชวนที่สุดไปบวชเลยแหนูหนูหนูก็อยากทําอยากบวชแต่ว่าสัจจะก็คือสัจจะแต่หนูอยากรองการบวชใจอยากอยากทาทางนี้ก็ลองดูลองดูไม่ว่าหนูอยากหนูอยากไปทางนี้ดูถ้าไม่พิสูจน์มันไม่รู้่่วามัน ทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ไปทางนี้ทำไมท่านไปทางอื่นแต่มันก็เป็นนิสัยของหนูอย่ถ้าหนูไม่ลองหนูก็ไม่ลองใช่ต้องลองก่อนให้ให้ให้หนูฟังว่าฟังคนนั้นคนนี้แล้วเดินตามเขามันก็ไม่ขาดเราจึงไม่ขัดไงเราลูกนิสัยเี้ยวยิงบ้ายยิ่งห้ามิ่งยุเขาเนี่ก็เลยต้องต้องไม่ห้ามดีกว่าไปไปเดี๋ยวมันจะได้พอไม่มีใครห้ามล้วเหมือนกัเดี๋ยวก็มันขายบ้าอ่ะ ก <coach Savior> <Monate Nolan> um> ็ลองดูไงก็บอกไงไปไงอย่างหนูบอกคำชี้แนะของหนูตาแล้วพระพุทธเจ้ก็ให้ยึดครับทำคำสองพระพุทธเจ้าในสิ่งที่เราทําตามได้ก็ทําไปในสิ่งที่เรายังทําไม่ได้ก็บอกว่าเรายังมีเวรมีกรรมอยู่ยังกิเลสยังมืดบอดอยู่ยังทําให้เราเห็นกับตาละปัดอยู่ก็แล้วไปแต่ที่แน่นอนก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี้แน่นอน เป็นทางที่ประเสริฐเป็นทางที่ถูกที่สุดเพียงแต่ว่าเราจะเห็นพ้องต้องกับท่านหรือเปล่าท่านเองจะแก้ไขนิสัยพวกที่ไม่ชอบอ่านไม่ชอบฟังเท่าไหร่นะไม่ชอบสังคมยังไงเ็้องการจะมาเรียนดูก็ต้องบังคับนักจะมาเนี่ยทุกบ่ายสองโงต่อไปนี้มาเปิดฟัง y o u ูทูบกันไปถ่ายข้อสวดทุกวัน ข้อเสียของหนูๆนูว่าหนูไม่ชอบอ่านหนังสือมันเหมือนอ่านไปหนูไม่เข้าใจก็ฟังไงไม่ต้องอ่านก็ได้ส่วนฟังกดเข้าย t u b e เองหนูก็เป็นประมาณว่าอืมันไม่ดึงดูดจิตใจหนูแต่ถ้าอย่างนี้ใช่อย่างนี้นะหนูสงสัยมาตั้งคำถามเปาะเๆๆะปะอย่างนี้ก็มาทุกอาทิตย์สิมียาติโยมกลุ่มนี้ก็มาทุกเดือนมามาสิบปีละเขาเขาน้ากันมาทุกเดือน เนี่ยหนังสือที่ทีมออกมานี่ก็มาจากที่เทศสอนเขาสอนเัาแล้วเขก็ไปบันเทเก้แล้วก็ทําเป็นหนังสือออกมาหนูต้องมีกําหนดถ้าไม่บังคับมันใจมันจะไม่มีเหมือนปูน่ะเวลาจะเทปูนหล่อเสานี่ถ้าไม่มีแบบมันไม่เป็นมันไม่เป็นเสาหรอกมันก็ไหลเละเทะไปหมดใจเราถ้าไม่มีแบบมันก็จะไหลไปเราต้องมีกติกามีกรอบบังคับมันถึงจะทําในสิ่งที่มันไม่อยากทําได้ ถ้าไม่อยากก็อ่านฟังต้องบังคับว่ า, าเดือนนึงต้องต้องมาฟังเทศสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยโน้รู้ว่านี่พาคภพจัแต่หนูจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่ที่ที่แดดนีสัยพวกหนูได้แต่ว่ามันจะหายากที่จะมาอืมที่จะมาสอนคนประเภพพวกหนูอะค่ะอาจารย์ก็สอนเองเนี่ยท่าวนวจชาบอกว่าถ้าหาคนที่สอนเราไม่ได้ก็สอนเอง <c oughs> ออเพราะว่าหลายคนจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้ว ให้ให้ให้ให้นอนหนังสือมาสอนพวกลิงพวกข้างมันก็เขาก็ไม่เข้าใจดิงข้างนะค่ะก็หนี่งเขมาอย่างวันนี้วันนี้ได้อะไรไปบ้างรู้เปล่าได้เยอะอ่ะก็มาอีกสิเห็นไหมนี่ยก็นัดเพื่อนว่าต่อไปได้มาทุกเดือนอถ้าสมมติว่าหนูไปอยู่ต่างประเทศอย่างเนี้ยเราอ้ว รู้มาก็ไม่ได้หนูก็ต้องเข้า y o u u t b ยูทูปยูทูปไดมได้เนี่ยนี่ก็มีคําถามเข้ามาทุกวันเนี่ยนี่พิมพ์ได้แล้วก็อ่านคําถามให้เายกตัวอย่างวันนี้มีคําถามอะไรบ้างคะมีคำมีคําถามไหมคะอ่ามีอะไรอ่านมาเลยทางเฟซลุกจากปุณจัยเย็นค่ะอทําอย่างไรจะทําให้ใจเข้มแข็งมีแรงต่อสู้ชีวิตครับ ก็ต้องฝึกสติฝึกสติให้มากๆ<ม>กำลังของใจอยู่ที่สติ<ม>เราต้องพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาอย่าปล่อยให้มันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันอยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับพุทโธพุทโธแล้วเดี๋ยวมันจะมีกำลังสู้กับสิ่งต่างๆได้เดี๋ยวถ้าอันนี้ฟังแล้วเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันก็ไปเปิดดูได้เขาเก็บไว้ย้อนหลังดูย้อนหลังได้ เพราะว่าถ้าถ้าหนูถามในยูทก็คือจะลงลงตาก็จะได้รจะได้ตอบอยู่ใช่ไใช่จะได้ตัวหตาเท่านะอนะหมดแล้วนะพอดีหมดเวลาพอดีวันของหนูกนะอวันนี้ให้หนูร้่หมดเลยเนี่ย ของทางบ้านก็ไว้วันหลังกันแล้วกันนะวนนีเฟซบุ๊กมีสอง้อยสาม้อยสี่สิบสามคนครับแล้วก็ยูทู e มีเมื่อกี้มีอยู่ประมาณมีอยู่ที่ห้าสิบแดคนห้าสิบแปดโอเคไม่มีไม่มีประเทศใหม่เข้ามายังตอนนี้มีเท่าไหร่สิบเจ็ดประเทศแล้วะเก้าครับสิบเก้าประเทศเนี่ยมีผู้ญาติโยมติดตามจากประเทศต่างๆเราจะส่งข้อความมาบอกว่ามาจากประเทศไหนกัน ติดตามได้นะถ้าไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่กรุงเทพก็ติดตามได้เนี่ยบายสองโมงก็เปิดเลย u t u ู e ก็ได้ a ฟ e b o o กก็ได้หูปากตาของหนูอ่หนูได้แต่ยิ่เขาจะจะมาเข้าไปดูกันแล้วก็มาเล่าถึงปลาให้เขาจอให้เขาต่อสายเข้ากับจอทีวีอันใหญ่ก็ได้จะได้นั่งดูสบายเอานะขอให้นํามาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต